รักษากันโรคภัยไข้เจ็บสั ก, กตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษยสานังพุทธเตเชนะณะโสถินานั ส, สันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปสเมนตุเมสั ก, กตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมัง วังปาริราหูปสะมนังธรมมเตเชนะโสตทินานัสสันตุปัทถวาสัเพพยาวูปะเมนตุเมสักกตวาสังครัตานังโอสถังอุตตมังวังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสตทินานัสสันตุปัทถวาสัเพโรคาวูปะเมนตุเม